จารณะในหนาหนึ่้อยสีนะคำว่าจารณะที่มีความหมายว่าความประพฤติหรือปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นทางให้บรรลุวิชาก็คืออริยมรรคทั้งหลายถ้าหากว่าไม่มีจารณะแล้วไม่สามารถที่จะรองรับวิชาไม่สามารถที่จะรองรับอภิญญาหรือผู้ที่มีจุดหมายปลายทาง ตังเป้าหมายว่าจะต้องบรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้จะต้องทําพระนิพพานให้แจ้งให้ได้ทั้นจารณะนี่แหละเป็นเครื่องมือเป็นข้อปฏิบัติเป็นเหมือนกับยานพาหนะหรือเป็นเหมือนกับการเดินทางเพื่อการบรรลุพระนิพพานทั้นจารณะจึงแปลว่าข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุพระนิพพานมีสิบห้าประการด้วยกันสิบห้าประการก็คือเบื้องแรกศีลสังวร เป็นพูดถึงพร้อมด้วยศีลคำว่าศีลเนี่ยนะก็คือเป็นอาจาระทางกายอาจาระนี่แปลว่ามันยา่าหรือความประพฤติ ท, ทางกายความประพฤติ ท, ทางวาจาการประพฤติ ท, ทางกายวาจาที่เป็นไปเรียกว่าอาชีพคำพูดเนี่ยพูดหมายพูดถึงกายพูดถึงวาจาก็จริงแต่ความหมายที่ประสง์นั้นหมายอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นที่เป็นสมุธฐาน เกี่ยวกับเรื่องกายนะเกี่ยวกับเรื่องกายเนี่ยทำความเข้าใจสักเล็กน้อยว่าทวารเนี่ยนะมีอยู่8ประการด้วยกันทวารแปดอาจจะเคยได้ยินบ้างทวาร8ดเนี่ยแบ่งอย่างไรก็แบ่งว่าหนึ่งทวารตาหมายถึงจักขผูทวารสองทวารหูหมายถึงโสตะทวารสมทวารจมูกหมายถึงคานาทวารทวารลิ้นชิวหาทวารทวารกาย ก็คือกายยทวารกายยทวารแบ่งออกเป็นสองภาษาทกายกับโจประกายภาษาทกายก็คือภาษาสัมผัสทางร่างกายเนี่ยนะความการรับสัมผัสความเจ็บปวดนะความรู้สึกเช่นรู้สึกรับกระทบเย็ยนร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเคร่งตึงเป็นต้นพวกนี้แหละเรียกว่าภาษาทกายก็คือกายยทวารกายประสาส์ที่รับกระทบสัมผัสทวารกาย ส่วนโจปนากายเนี่ยนะโจปนากายนั้นหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายเอาตั้งค์กับส่วนหัวเช่นสายสั่นหัวผงกหัวยักคิ้วหรือเล็กลิ้งสายตาไปมาหรือการขยับท่าทางต่างๆเนี่ยนะขยับทางร่างกายยืนเดินนั่งนอนพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งหมดเรียกว่าโจปนากาย โจปนักกายภาษาวิธรมก็คือพวกกายวิญญาณนั่นเองนะที่แสดงพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายนี่ได้เท่าไหร่ละนะตาหตาสองหู 3. มจมูก 4. ี่ลิ้น 5. กาย 6. ก, ก็กาย 5. ภาษาถ้ากาย 6. โจปนักกายเจวาจาเนะจวาจาเรียกว่าทวานทวานวจีกรรมเนีย่ยนะคำที่เปล่งออกมาทุกคำทุกคาทุกคำนันนะ แล้วก็อันสุดท้ายก็คือทวาม ร, รมนูกรมคำที่เราพูดถึงศีลเนี่ยนะหมายเอาสองข้อคือโจปนะกายกับวจีวจีกรรมหรือคำพูดวจีเพทะคำที่เปล่งออกมาต่างๆไม่ได้หมายพูดถึงตาหูจมูกลิ้นภาษาทกกายหรือใจแต่เน้นพิเศษคือตัวพฤติกรรมทางกายกับถ้อยคำที่เปล่งออกมาแต่เน้นพิเศษว่าหมายถึงจิตที่เป็นสมุทฐานแห่ง ความประพฤติทางกายและวาจาเนี่ยนะเพราะความประพฤติทางกายนั้นชื่อว่ามีจิตเป็นสมุทฐานเรียกว่าอยู่ที่เจตนาคําพูดที่อยู่ก็อยู่ที่เจตนาเจตนาทางกายเนี่ยนะโดยทั่วไปแล้วจะแบ่งออกมาเป็นสอย่างก็คืออะไรปานาติบาถ้าฝ่ายอากุศล น, นะฝ่ายอากุศลก็คือปานาติบาอธินาทานกาเมสซมิจฉาจาน าการประพฤติผิดในการถ้าเป็นนักบวชทั้งหลายก็เรียกว่าประพฤติอภรรมจันทร์อันนี้ฝ่ายอากุศลส่วนฝ่ายกุศลก็คือเจตนาหรือกุศลธรรมที่ทำลายเจตนาในการฆ่าหรือที่เราเรียกกันคุ้นเคยกันว่าเจตนางดเว้นจากปานาติบาตพฤติกรรมทางกายที่งดเว้นจากปานาติบาตพฤติกรรมทางวาจาที่งดเว้นจากการลักขโมย นะช่อชนคดโกงเป็นต้นหรือพฤติกรรมทางกายที่ไม่ร่วงละเมิดทางเพศหรือว่าประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายอันนี้ก็เป็นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นนะเป็นกุศลธรรมเป็นกุศลศีลศีลอันนี้แหละเรียกว่าศีลสังวรที่ศีลสังวรทางกายเรียกว่าอาจาระทางกายพฤติกรรมทางกายตลอดจนถึงว่าถ้ารายละเอียดลงลึกไปอีกเนี่ยนะก็คื อ, อ ศีลทางกายไม่ใช่อยู่เพียงแค่สมข้อว่าเว้นจากปาณาติบาตเว้นจากอธินาทานหรือเว้นจากการเมสุมิจฉาจาร์เท่านั้นยังมีรายละเอียดเพิ่มเติ ม, มซึ่งจะกล่าวต่อต่อไปแต่ตรงนี้เนี่ยเบื้องต้นกล่าวเน้นที่เศษคือกรรมบททั้งหลายก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีกุศลกรรมบทสมบูรณ์ศีลก็คือกุศลกรรมบด ท, ทั้งหลายนั่นแหละพระองค์เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยจารณะคือเป็นผู้มีกายกรรมสุจริต เพราะไม่มีเจตนาที่จะทําปาณาติบาตพระพุทธเจ้าไม่มีเจตนาที่จะล่วงละเมิดอธินาทานพระองค์ไม่มีเจตนาที่จะล่วงกาเมสุมิฉาจารและไม่มีเจตนาที่จะประพฤติอพรมจันทร์แม้แต่ความคิดยังไม่มีเพรางั้นนั่นจิตตุบาที่เป็นเหตุให้ล่วงอกุศลธรรมเหล่านั้นยังไม่มีจะกล่าวไปยัยถึงการล่วงละเมิดออกมาทางกายและวาจาถามว่าเพราะอะไร เพราะเจตนาเหล่านั้นเนี่ยนะเจตนาในปาณปฏิบัติเจตนาเป็นเหตุให้คิดฆ่าเจตนาเป็นเหตุให้คิดลักเจตนาเป็นเหตุให้คิดลักขโมยเป็นต้นเจตนาเหล่านั้นพระองค์ทําลายเสร็จแล้วทําลายเจตนาอย่าลืมว่าพุทธศาสนาให้ความสําคัญว่าถ้าสิ่งที่ต้องทําลายเลยทําลายอะไรทําลายความคิดตัวเอ ง, งนั่นแหละก่อนทําลายความคิดเร็วๆทำํำความคิดเร็วเรียกว่าความคิดที่เป็นบาป ทำลายความคิดที่เป็นบาปนั่นแหละก่อนท่าจะละนะท่าจะละก็ขอละเนี่ยละเจตนาชั่วๆที่อยู่ในในใจแล้วละพิษสง์ทั้งหลายที่อยู่ในใจละเรียกว่าพิษเพราะว่าพิษเหล่านี้ทําให้เกิดความเดือดร้อนเร่าร้อนทั้งในปัจจุบันและต่ อ, ต, อต่อไปก็สมาทานกุศลธรรมการสมาทานกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าศีลศีลเนี่ยเขาแบ่งเป็นระดับว่าศีลของปุถุชนทั่วๆไป นีะศีลของพระเสขบุคคลและศีลของพระอเสขบุคคลเกี่ยวกับเรื่องนี้เว้นจากการฆ่าเจตนาในปานาติบาตการฆ่าการทำลายเจตนาในอธินาทานการฆ่าการทำลายเจตนาในการเมซูมิชฉาจาร์เหล่านี้ก็แบ่งเป็นว่าแบบปูทุชนแบบพระเสขกับแบบพระอรหันต์แบบปูทุชนทั้งหลายก็อะไรก็แบบว่าแหมล้อมอ้อมรักแล้ว่าป้องกัน อย่าละเมิดออกมานะก็สมาทานสีนะอย่างคำที่เราสมาทานเมื่อกี้ปานาติปาตาเวรมะเนสิกาประทังสมาธิามิอันนี้ก็เท่ากับอะไรคิดว่าป้องกันกันหน้าดูเลยสำรวมสังวรระวังรักษาแต่เป็นตะทาง้าเนะนะละขณะที่ตั้งใจตั้งใจที่วิรัตงดเวนก็อยู่ได้เท่านั้น แล้วความตั้งใจอันนี้เนี่ยมันจะต้องบ่อยขนาดไหนใช่ไหมเพราะชื่อว่าเป็นการละแบบชนิดเล็กน้อยเรียกว่าตะทางฆ่าปะหานละชั่วขณะที่ตั้งใจสมาทานศีลเนี่ยเป็นตทางฆ่าปะหานะเป็นการละเจตนาอากุศลธรรมเหล่านั้นในขณะสมาทานขึ้นขณะที่ตั้งใจวิรัติงดเวรเนี่ยนี่เป็นลักษณะของศีลปุถุชนศีลปุถุชนก็ยังแบ่ง เ, เป็นหลายระดับประเภทว่ารอวันขาดเนี่ยนะสมาทานศีลประเภทว่า ก็ว่าไปยังนั้นแหละสมาทานไปอย่างนั้นอันนี้เราไม่พูดคนไม่มีศีลเราพูดแบบคนที่มีศีลแต่มีศีลประเภทรอเวลาค่ะนะวันนี้สมาทานศีลก่อนอย่างเ ร, ร, รียกว่าตามชนบทบางแห่งเอาตอนหัวค่ําสมาทานศีลก่อนตอนกลางคืนก็ไปหาฆ่าสัวตว์ต่อเป็นตอนเนี้ยนะตอนนี้ก็สมาทานศีลก่อนแล้วก็ไปหาลักขโมยต่อไปเป็นต้นก็คือลักษณะประเภทนี้ก็มีอยู่ลักษณะนี้ก็มีอยู่เพราะศีลประเภทนี้เรียกว่าศีลฝ่ายเสื่อม นะศีลรอเวลาขาดเท่านั้นเองสมท า, านก็สักอ่าก็ก็เป็นบุญน่ยนะก็ไม่ปฏิเสธว่าไม่เป็นบุญศีลก็เป็นอริย์ซั์ใช่ไหมเขาสแสวงหารัพย์แต่คนมีทรัพย์เหล่านี้ไม่สามารถจะรักษาทรัพย์ได้แต่นะได้หาได้ใช้ชั่วระยะหนึ่งแต่ว่ารักษาได้ไม่ยืดยาวศีลประเภทนี้เรียกว่าหานาพาคยะเสื่อมส่วนอย่างที่สองเขาเรียกว่าทิติภาคยะดํารงอยู่ยันนะ สามารถเรียกว่าบริหารได้เท่านั้นอ่ะไม่มีโงกเงยขึ้นกว่าเท่านี้เลยและก็ไม่ตกต่ําไม่โงอกเงยแล้วก็ไม่ตกต่ำเรียกว่าคงที่ไอ้คำว่าคงที่ไม่ได้คงที่แบบพิเศษเนี่ยนะไม่ใช่แต่คงที่แบบธรรมดาธรรมดาที่เราใช้คําว่าปกติเนี่ยนะปกติแต่ว่าถ้าชั้นสูงไปอีกเลยก็คือเป็นศีลประเภทอะไรวิเศ ษ, ษะรองรับคุณธรรมชั้นสูงได้นะเป็นรองรับการเจริญสมถะทั้งหลายได้ แต่ถ้าศีลใดที่รองรับการเจริญสมถะทั้งหลายอันนั้นก็เป็นประเภทวิเสสภาคยะศีลชนิดพิเศษขึ้นพิเศษขึ้นแต่ถ้าศีลเหล่าใดเป็นที่รองรับการเจริญวิปัสนาศีลเหล่าใดที่เป็นการรองรับการเจริญวิปัสนาอันนั้นเป็นนิเพทะภาคยะน้อมไปเพื่อการชำแรกกิเลสเนี่ยนะอันนี้เป็นศีลของปุถุชนทั้งหลายก็มีอยู่สประเภทด้วยกัน อ ย, อย่างเรียกว่ารอวันเสื่อมกับพวกดำรงอยู่เสมอตัวกับพวกที่เจริญขึ้นรองรับสมถะกับพวกที่รองรับวิปัสสนาอันนี้เป็นศีลเพราะคุณภาพของการละเจตนาในการละเจตนาปานาติบาตละเจตนาอธินาทานละเจตนาในกาเมโซมิชฉาจานนั้นจึงไม่เท่ากันก็ แ, แสดงว่าผู้ทุชนทั้งหลายก็แปลว่าเป็นผู้ที่มียางยังมีพิษสงอยู่ ยังมีพิษสงพร้อมที่จะฆ่าพร้อมที่จะลักขโมยพร้อมที่จะประพฤติผิดในการมถ้าได้เหตุได้ผลได้ปัจจัยเนี่ยนะได้เหตุได้ผลได้ปัจจัยเช่นเพราะบางคนเนี่ยศีลขาดเพราะเหตุแห่งรัพเนี่ยนะเรียกว่ า, า, าเพราะเหตุแห่งัทีนี้ไอ้ศีลขาดของแต่ละคนเพราะเหตุแห่งรั์ก็ต้องดูด้วยบางคนไม่ขาดแน่เพราะบาทเดียวบางคนเนี่ยไม่ขาดแน่เพราะร้อยหนึ่งบางคนไม่ขาดเพราะพัน บางคนไม่ขาดเพราะหมื่นบางคนไม่ศีลไม่ขาดเพราะเสนบางคนศีลไม่ขาดเพราะล้านแต่บางคนถ้าเลายหลายล้านนี่ก็ไม่แน่บางคนนี่อาจจะเขาบอกว่าศีลนแค่ไหนก็อัครวัตรซับเนี่ยนะมันจะหมดเท่าไหร่ศีลก็ไม่ขาดแต่มันไม่ได้เว้นไว้แต่เรื่องญาติอย่ามาแตยุ่งอย่ามายุ่งกับญาติของฉันนะคำว่าญาติหมายถึงทั้งบุตรทั้งภริยาทั้งสามีทั้งบริวารว่านเครือทั้งพ่อทั้งแม่อันนี้คือเรว่อญาติ อย่ามายุ่งกับญาติฉันนะถ้ายุ่งกับญาติฉันเมื่อไหร่แล้วศีลขาดอย่างบางคนไม่คิดจะฆ่าเลยนะแต่ต่อเมื่อคนอื่นเขาปฏิทุสระญาติของตนหรือถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาจะทําลายญาติเราเราก็เลยฆ่าเขาก่อนฉลาดมากใช่ไมใช่ไมมันไม่ใช่นะเหมือนฉลาดจริงๆแล้วไม่ใช่บางคนนี่จะศีลขาดเพราะเหตุแห่งญาติเช่นเพราะเหตุแห่งบุตรปริยาสามีเพราะเหตุแห่งข้าทาสกรรมกรบริวารว่านเครือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นต้นซึ่งอันนี้เรียกว่านับญาติ บางคนเนี่ยศีลขาดเพราะยศกลัวเสื่อมยศก็เลย น, นะก็เรียกว่าปกปิดความชั่วหรือทําชั่วก่อนเดียวตัวเองจะเสื่อมยศหรือบางคนเนี่ยเสียศีลเพราะบอกว่าอวัยวะเพราะเห็นแก่อวัยวะบางคนเนี่ยเสียศีลเพราะเหตุแห่งชีวิตเนี่ยนะเพื่อจะรักษาชีวิตแห่งตนก็เลยทําลายชีวิตของบุคคลอื่นเป็นต้นของสัตว์อื่นอันนะี้นี่เป็นเหตุแห่งศีลแต่ถ้าเป็นศีลของผู้ที่จะรองรับสมถะแล วิปัสนาศีลอันนั้นเนี่ยนะจะต้องไม่เห็นแก่ลาบไม่เห็นแก่อวัยวะไม่เห็นแก่ญาติไม่เห็นแก่ยศไม่เห็นแก่ชีวิตไม่เห็นแก่สิ่งใดทั้งนั้นเห็นแก่ศีนอย่างเดียวอย่างที่เราเรียนจริยาปิฎกที่ผ่านมาบอกว่าเราตามรักษาศีลเราไม่ได้ตามรักษาชีวิตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราไม่อะไรในชีวิตรักษาศีลเพราะเหตุแห่งโพธิญาณ เพราะเหตุแห่งการตรัสรู้เพราะเหตุแห่งการบรรลุมักผลเพราะถือว่าศีเนี่ยเป็นคุณธรรมที่รองรับคุณธรรมชั้นสูง น, นะอย่าลืมว่าจิตของเราเนี่ยนะถ้าถ้าใครศึกษาจิตตนิยามมาดีคือความคิดหนึ่งมันจะสืบทอดต่อให้เกิดความคิดหนึ่งความคิดหนึ่งก่อให้เกิดความคิดหนึ่งความคิดหนึ่งก่อให้เกิดความคิดหนึ่งเพราะในเรื่องที่เราคิดหนึ่งแวบขึ้นมาเนี่ยมันจะรองรับอีกความคิดหลายๆอีกหลายๆความคิด เจตนาที่เป็นศีลก็เหมือนกันรองรับคุณความคิดที่ดีๆรองรับความคิดที่เป็นเมตตารองรับความคิดที่เป็นกรุณามุทิตาอุเบกขารองรับความคิดที่เป็นไปกับอนุสติรองรับความคิดที่เป็นการเจริญปัญญาเพราะปัญญาก็เกิดร่วมกับความคิดเรื่องเกิดร่วมกับจิตนั่นแหละทั้นั้นความคิดที่เป็นศีลจึงรองรับคุณธรรมชั้นสูงมันก็สมฐานศีลอันนี้ศีลที่รักษาดีอย่างนี้นี่แหละเรียกว่า เป็นไปเพื่ออวิปปิสารไม่กินแหนงแคลงใจตัวเองนะเมื่อ ไ, ไม่กินแหนงแคลงใจตัวเองเนี่ยก็เป็นอะไรเป็นอวิปปิสารอาวิปปิสารนำมาซึ่งปราโมทปราโมทนำมาซึ่งปีติปีตินำมาซึ่งปัสสัตทิปัสสัตทนำมาซึ่งสุกสุขนำมาซึ่งสมาธิสมาธินำมาซึ่ ง, łbym, Islands, า ง, าาางการรู้เห็นตามความเป็นจริง